ธรรมชาดกแผ่นที่10ลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25ตุลาคม2554มีชื่อเรื่องว่าฤาษีหลอกกินเฮี้ยวันนี้เป็นวันที่25้า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 พอตอนบ่ายออกจากห้องพักที่พักตอนบ่ายท่านก็ถือไอ้ท่านฉูบุหรีนะบุหรีเขาเรียกบุรีขี้โยบุหรีทางเชียงใหม่เขาพันเกาะยาวๆเป็นคืบนะแต่ท่านท่านก็ถือบุรี่ไปสั ก, กรำหนึ่งจากนั้นก็ถือผ้าผ้าซดผ้าซดคล้ายๆว่าเป็นผ้าจีวรผ้าอาบน้ํำนะ่ะ ท่านจิสีกเป็นชิ้นๆจากนั้นท่านก็ บ, บิดมันก็ฟันให้มันเป็นสองเกลียวแล้วก็เอาเชือกมัดไว้ไปสุดส้นสุดก้ดอนท่านก็ถือไปอันสองอันจากนั้นก็นผ้าอาบน้ําผืนหนึ่งผูกศีรษะก็ถือไม้เท้าถือไม้เท้าก็เดินเดินไปหาที่มุมสงบ บางทีก็ไปเห็นกุฏิเล็กๆออที่คนไม่ผ่านอยู่ชานกุฏิท่านก็ปดเปื้อกผ้าอาบน้ําอยู่บนศีรษะของท่าน เ, าเวียงไปเวียงมา ต, ตุบ ต, ตับ ต, ตุบ ต, ตับตุบตับปัดฝุ่นว่า ง, งั้นเพราะไม่มีใครไปไม่มีใครไปปัดฝุ่นให้นะอท่านก็ปัด ต, ตุบ ต, ตับตุบตับเสร็จแล้วท่านก็วางผ้าอาบลงปูผ้าอาบลง จากนั้นท่านก็ถอดรองเท้าก็ขึ้นไปกันนั่งมายเท้าพิงไหมาจากนั้นก็เอาผ้าเอเ อ, เ อ, เ อ, เ อ, อาบน้ำที่ว่าเป็นฉีกเป็นชินช้นๆทำเป็นชุดเขาเรียกชุดสำหรับไล่ยุงไล่ลิ้นท่านไม่ได้ใช้ยากันยุงนะ เ, เป็นฟันเป็นสองเกลียวจากนั้นท่านเอาไฟจุดจุด้นเขามันพอจุด้นเขามันท่านก็วางเอาไว้ข้างๆ ตอนี้นควันมันก็ถอยถอยถอย่อยงเนี่ยนะ่ะพวกลิ้นตุ่เล็กๆมันกัดมันคันนะมันถูกควันผ้านะมันจะไม่มาใกล้นะอัะหนีไปหมดพวกยุงพวกลิ้นจากนั้นถ้ากันนั่งภาวนาจะตามลำพังเนะพราะท่านหลวงปูแ่แหวนคอเอียงเนเะวลานั่งเนี่ยคอเอียงข้างหนึ่งวะนะ <c oughs> ล่ะหลวงพ่อเนาะ ไปสดๆมามองดูๆ ด, ด, ดูอยู่เรื่อยเหมือนกันท่านนั่งภาวนาของท่านอยู่เงียบของท่านอพอจากนั้นพอเสร็จนั่งออกจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็สูบบุหรี่นั่งสูบบุหรี่ปุ้ยตามลาพังเสร็จแล้วก็เดินลงมาเอาผ้าครับพับแล้วก็ 6ศีรษะแล้วก็เดินเดินไปตรงนั้นตรงนี้เสร็จแล้วก็มาส่งน้ำค่ะอันนี้คือแนวทางเรกว่าครูบาอาจารย์ท่านหาห ม, มมสงบไม่ใช่ว่าท่านจะนั่งอยู่กุฏิทีเดียวท่านก็ไปนั่งกุฏิหลังนู้นหลังนี้บางหาห ม, มมสงบแล้วก็พร้อมกันท่านก็เตรียมยาทมไมนะั้นยาการจุงไม่มี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 เป็นเครื่องอยู่ของผู้รู้ความบริสุทธิ์ของท่านนะเรียก ว, ว่าวิหารธรรมเป็นอยู่ด้วยเครื่องอยู่ของพระอริยะเจ้านะเนี่ยจากนั้นก็เดินท่านก็เดินไปตาม ต, ตรวจตาดูตามวัดตรงไหนตรงไหนแต่โดยมากท่านไม่ว่าอะไรหรอกหลวงปู่แหวนแต่ไม่หลวงปู่หนูเท่านั้นแนะหละหลวงปู่หนูไม่ได้นะเดินชงช่างชงช่างไป ท่นเห็นทวงไหนที่มันดีท่านก็ทังดุทั้งด่าเด็กให้ไดย้ยาเอาญ้ากท่านก็ยืนคุมเด็กโอ้มันลินมันก็เยอะอนะเด็กต้องเอาตัวนั้นเอาตัวนี้แต่ตาเก่งอนะลงปูกหนูนะพ่อด่าแต่ละคนะําะโอโ้เจ็บแสบมากท่านก็ด่าไปอย่างนั้นแหะ อลูกใครลูกใครท่างก็รู้อยู่พวกบ้านแม่ปังค่ะแต่หลวงพ่อไม่ได้ยุ่งกับนั่นหรอกมีแต่ดูแลองค์หลวงปู่แล้วก็ดูแลกุฏิดูแลศาลาคะทั้งที่บวชมาเป็นพระนะนะเป็นพระแล้วทําตัวเป็นสมณเนรเลยว่างั้นะทําหน้าที่สมณเณรไปอยู่กับหลวงปู่สององค์เพราะไม่มีเนนเลย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 เมื่อเช้าเนี่ยหลวงพ่อเขเดินลงมามาเห็นผ่านสระน้ํนมมานะนกเป็ดเริ่มมาแล้วนะนกเป็ดเริ่มมาแต่เสียงกําลังเจ้าเจ้าล่ะเพราะหน้าหนาวหนาวจากเมืองจีนเขาใชบิลเลียเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้แ่ะแต่มันมาอยู่วัดของเราเน่ะหน้าหนาวเลยเต็มไปหมดเป็นพันๆตัวแต่นี่ยังไม่ถึงหรอกกําลังเริ่มมาแล้วเดี๋ยวนี้ แต่ว่าตัวที่มันอันตรายคื ค, คือตัวเนี่ยตัวเฮียมึกเช้าเนี่ยก็เดินลงมากระโดดลงน้ําตามอะไรตัวเฮียตัวเหลืองๆแต่ไม่ใช่ตะกวดนะมันเหมือนเหมือนกันนะตะกวดกับเฮียแต่ว่ามันรูปทรงของมันตัวเฮียมันตัวเหลืองๆแต่ตะกวดเน่ยสีดําแต่ลักษณะถ้าดูผิวผิวเผินก็เหมือนเหือนกันน่ะ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 ก็อยู่ที่นั่นแท้เลยในพันหน้าหน้าหน้าฝนหน้าแรงก็คงจะเข้าไปหรือบางทีอาจจะอยู่ตลอดต่อต่อไปก็ได้แต่จุดแต่จะสับปะยะไม่สับปะยะตอนนี้ลือสีนั้นก็อยู่ในป่าอยู่ในที่ป่าละมาะแล้วก็มีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งใกล้ๆใกล้ใกล้สีอยู่ตอนนี้ฤือสีกับสาธยายมนตที่ท่านได้เรียนมานั่นก็ตกตอนเย็นมากัท่านกั ชาตยายมนภูมภูมบําบาผูมผูมบําบํำคนนั้นไอตัวเหี้ยนั่นก็มันก็ค่อยคลานออกมาอยู่ในจอมปลวกนั่นอยู่ใกล้ๆฤฤษีคลานออกมาจากรวนมาก็พบมองดูป้วนเปลี่ยนหากินใกล้ๆร้านที่พักของฤฤษีนั่นะฤฤษีก็เห็นไม่เป็นไรพออยู่ต่อมาต่อมาทดี๋หวนั้ฤฤษีไปบินทบาทในบ้านเขา ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเหี้ยย่างให้ใส่บาตรฤศีบาดพราะใส่บาตดฤศีฤศีได้กินเนื้อเหี้ยเท่านะั้ติดใจติดใจในเนื้อเหี้ยอ๋เหี้ยตัวอยู่จอมปัวข่ามีอยู่เดี๋ยวข่าจะจัดการมานะันนเออนี่แหละเกิดความโลภมันเห็นแก่กินนะอในเหตูปิกริยับปาปังไ นะเหตูปิเกรยาปาปังไม่ควรทําบาปเพราะเห็นแก่กินแต่ฤาษีเนี่ยพอไ ด, ได้กินเนื้อเหียแต่ติดใจในเนื้อเหียเลยก็เลยอยากจะฆ่าเฮียกินบาตรเนี่ยพอบินทบาทฉันเนื้อฉันเฉินเนื้อเฮียติดใจในเนื้อเหียวันนั้นว่ะพอวันรุ่งคืนเอี่ฆ่าจะจับยังไงนะจับ เฮี้ย er, ตัวนี้กินเลยนะว่ามันมาป่วนเปลี่ยนแถวเนี้ยจะจับวิธีการยังไงถ้าแกก็เตรียมค้อนตะพดพอเหมาะเหมาะมือไว้สองสามค้อนมางั้ น, นแหละเฮ้ยเทนี้ตัวเฮี้ยมันจะฉลาดเนี้ยเป็นเป็นเหี้ยพระโพ er, ธิสัตว์ใช่ไหมเอ่ถึงจะเป็นตัว er, เฮี้ยก็จเจิงยู่แต่มันมันมีแววแห่งความฉลาดมันมีอยู่ในตัวเฮี้ยนั้น มันก็โผล่หัวออกมาก่อนที่ก่อนมันจะออกจะมาจากครูนะเนี่อพอออกมาจะกครูลือสีเนี่ยเกเหลือบสายตาแป๊บไปเห็นเฮี้ยออกมาแล้วเว้ยตืสีก็เตรียมคอนตะพดไปแล้วง้นน่ะแต่เฮี้ยตัวนั้นมันมองเห็นตาลือสีขนาดแป๊บเอ๊ะลือสีทําไมวันนี้สายตาลือสีทําไมผิดปกติว่ะ เออตัวเหี้ยมก็ฉลาดอย่างที่ว่านะมันสังเกตนะไม่เหมือนพระวัดเราเนะ่ยพัดเราในเสื้อเสื้อซาสขนาดจอบเสียมมีดผ้าวางไว้อย่างเตะตพัดตะพืองั้นแหนะมันไม่เหมือนตัวเหี้ยนะี่เหี้ยตัวนั้นใหม่มันโผล่ออกมานวันมองแปนะ๊บเอ้วันนี้ถ้าจะไม่เป็นมิดกับข้าจะแล้วนะหรือสีเนี่ยงั้นเอ๊ะทำไมวะ ตอนี้ก็เที่ยตอนนั้นจะออกมาเถอมาออกมากับแบบไปเหยาะเยาะยองยองเหมืนกันแะเอออกมาด้วยความระมัดระวังตาเนี่ยเหลือดูฤาษีตลอดแต่ฤาษีแด่กันท่าเธอเฉยเหลือเป็นบางครั้งเหมือนกันแหะเอ้คนจะจะฆ่าคนอื่นมันเป็นอย่างงั้นะเอให้แกมีชั้นเชิงเหมือนกันแต่ต่นี้ฤาษีตัวเฮียก็พยายามดูดูไม่เป็นมิตดละวันเดียวงัน มี่เหตุแน่ ๆ, นๆเหี้ยตอนนั้นมันดูดูฤาษีว่างั้นไอฤาษีนี่เกิดเหี้ยต่นั้นมันมามันไม่ได้จังหวะที่จะมาใกล้ๆกระโดดไปค้อนทบหัวมันเลย ม, มันก็ไม่ได้จังหวะมันก็อยู่ห่างๆกระหลบๆห่างๆไงทั้งนี้ฤาษีก็คิดว่ า, าขนาดนี้คงจะไม่พลาดเป้าแล้ ว, วะว่างมันก็เลยคว้าค้อนตะพดอยู่ข้างๆขางมันได้อลุกขึ้นมาก็รีบลุกขึ้นมาก็สซดเวียงเสียเล้ว่าไง เพราะงั้นเออต้มันไม่ถูกเฮียทตเนี่ยมันข้ามหัวเฮียไปยงั้นเถอะมันไม่ไม่ไม่ถูกจังหวะสายต๊อบวิ่งเฮียก็วิ่งพรอดเข้าไปในรูแล้วงั้นเถอะพอวิ่งเข้าไปในรูัวโหขึ้นมาเออัวโผขึ้นมาลือศีกเออเสียหลักเลยว่าเออข่าเฮียไม่ได้หัวโผขึ้นมาลือีก็เลยกล่าวขึ้นว่าเอ้ย ตัวเงินตัวทองไว้ออกมาสิวะเนี่ยเรามีปีดีเรามีเกลือเรามีอาหารให้กินกันแล้วกันนะ่ะออกมานะทางเฮียตัวนั่นก็บอกโผล่ออกมาท่านทำไมคิดทำร้ายข้าข้าไม่ได้คิดทำร้ายท่านสักหน่อยเลยเออทาไมท่านจึงทำอย่างนี้ท่านทำไมทาตนเป็นลือสีเออท่าน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 เขา่าหนวดเขา่าหนวดเขา่าลือศรีไว้หนวดเขา่าเลยชดาก็คือมุ้ยผมมืนกันนะประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่านประโยชน์อะไรด้วยหนวดเข่าของท่านประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านหนังเสือก็คือเอาหนังเสือเป็นผ้านุ่งห่มเพราะลอศรีเขานุ่งห่มหนังเสือเลยไม่มีเสื้อผ้าก็เอาหนังเสือเป็นผ้านุ่งห่มผ้านุ่ง ประโยชน์อะไรด้วยหนังเสือของท่านภายในของท่านลกลุงหลังทําท่านทํ า, ท า, ท า, ทาตัวเป็นลือสีแต่ภายนอกคล้ายๆกับว่าเฮียนปลามาดเลยว่าลือสีเนี่ยทำตนเป็นลือสีแต่ทางในไม่มีศีลสักตัวเลยอยากจะฆ่าเขากินอยากจะฆ่าเหียกินอีกต่างหากลือสี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 ลือศีได้ยินเท่านั้นเด็ดเก็บของเปิดแหนบข้อป่าไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละอั น, นี้คือชาตินั้นพระพุทธเจ้ากองเราเป็นเป็นตัวเฮียดพระโพธิสัตว์เป็นตัวเฮี้ ย, พ ร, พ, ยพระเทวทัตเนเป็นลือศีนี่แหละขั้นท่าว่าพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าหมุนล้อกลงโกงกองกลมกงเกวียนไปเจอกันเมื่อไหร่ต้องได้เรื่องทุกทีแล้วงั้นเถอะพระเทวทัตเนี่ยจะต้อง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 สรุปแล้วนิทานเรื่องนี้ให้ทุกคนให้มองตนเองเนีอย่าทําตนให้เรียบร้อยแต่ภายนอกภายในของท่านไม่มีใครรู้ว่าตัวเองทําอะไรเป็นผู้ส่งสินและไม่พงสินคิดดีหรือคิดชั่วไม่มีใครรู้นอกจากตัวของเรานะ่ะรู้เนอแต่ว่าตัวเหี้ยแต่นนสอนมวยลือสีว่างั้นเถะเนี่ยนี่แหละชาดกเนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกเออและเป็นเครื่อง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 พอมันมีปัญญาเห็นไหมขนาดจะออกจากรูยังเหลือบสายตาดูตาของฤาษีนยไม่เป็นมิจะแลัวธ์เนียทำไมเป็นอย่างนี้วะแต่คอนทำไมไม่เป็นอย่างนี้วะ เ, เก่งนะตัวเฮียตัวนั้นรับพรอ น, อนโมทนาให้พร